ยังส่งกันบ้านไหมไ ด, หได้ก็ดีนะอย่ากแก้งทำก็แล้วกันคือความรู้สึกตัวมันเกิดจากจิตมันจําสภาวะได้เงั้นเราหัดรู้จักสภาวะไปเรื่อยๆหัดรู้จักเพิ่มขึ้นมาเะยอย่างสองอย่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวปีหนึ่งก็ได้เป็นพันสภาวะล้ะหัดไปเรื่อยเนี่ยตอนนี้เมื่อกี้ทำอะไรทราบไหม นี่หันรู้จักไปนะไม่ใช่ยากอะไรหรอกใจเรามันจะหนีสุดโตงสองข้างนะสภาวะทั้งหลายถ้าแยกให้ดีแล้วก็มีพวกหลงไปพวกหนึ่งหลงไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงทางใจคือหลงไปคิดสุดโตอีกข้างหนึ่งคือบังคับไว้เพ่งไว้ประคองไว้รักษาไว้เราจะคอยรักษาถ้ารักามากๆก็คอยไปคอยประคองคอยเพ่ง เพ่งหนักๆ ก, ก็ติดการเพ่งเป็นการเข้าไปบิดเบือนกายก็นิ่งใจก็นิ่งไม่ได้รู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงในสมโพงสมโพงเป็นไง <c oughs> จิตเป็นไงจิตสมโพงเป็นยไงบ้าง <c oughs> ทำไมถึงมีน้ำหนักละ่ะ <c oughs> คือท่านสอนนะทุกให้รู้สมุทัยให้ละ ตัวตันหาตัวสมุทยัยตัวนี้เป็นธรรมตันหาชื่อเพราะนะชื่อธรรมตันหาคือความอยากได้อารมณ์ทางใจพอเราอยากได้อารมณ์ทางใจก็ลงมือทำลงมือเพ่งลงมือกาหนดไปไงโอเป็นไงโอโอก็ลังหวาดเสียวกลัวถูกเลียด <c oughs> รู้ตัวได้บ่อยยัง เรียนก็ทำได้นะเราไม่ได้เรียนยีสิบสี่ชั่วโมงนี่เนาะ <c oughs> ปูนแกล้งทำนะคือบางคนปฏิบัตินะก็บรรลุเร็วบางคนก็บรรลุช้าบางคนก็ปฏิบัติสบายบางคนก็ปฏิบัติลำบากคือแต่ละคนก็อยากปฏิบัติสบายด้วยกันทั้งนั้นนี่บางคนต้องปฏิบัติลำบาก เมื่อก่อนนี่เคยบอกพวกเราหลายทีแล้วว่าการรู้กายรู้ใจนะก็ไม่ใช่รู้ตามยาถากรรมนะถ้าเราเป็นพวกตัณหารจริตพวกโลภมากรักสุขรักสบายรักสนุกอะไรเนี้ยควรจะรู้กายก่อนจะรู้กายควรทําใจให้สงบตั้งมั่นมีผู้รู้ขึ้นมาแล้วค่อยตามรู้กายไปพวกทิฏฐิจริตพวกคิดมากให้ดูจิตเอาะดูเข้าไปเลยไม่ต้องไปทําสมถาก่อนก็ได้ แค่ว่ยพระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมบ้างแล้วก็ทั้งวันเนี่ยคอยตามรู้กายตามรู้ใจอ่านจิตอ่านใจตัวเองเรื่อยๆนี้บางคนน่ะปฏิบัติยากต้องใช้วิธีที่โหดๆบางคนใช่วิธีที่สบายๆได้ทุกขาปฏิปทาพวกรู้กายก็มีทั้งทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทาพวกดูจิตก็มีทั้งทุกขาปฏิปทาสุขาปฏิปทา คือคนไหนเนี่ยกิเลสหนาราคะโทสะโมหะรุนแรงนะก็ต้องปฏิบัติขัดกันแรงๆคนไหนอัธยาศัยกิเลสเบาบางแล้วก็ทำด้วยวิธีที่ง่ายๆนั้นเราก็ไม่ได้เลือกอีกนะอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนที่ประณีตกิเลสบางแล้วไปใช้วิธีโหดๆเขาจิตก็ฟุ้งซ่านขึ้นมาอีกนี่บางคน กิเลสเยอะไปใช้วิธีประณีตนะกิเลสยิจจ่งเยอะใหญ่เลยนะเพราะนบางคนต้ออดข้าวบางคนอดนอนอะไรเงี้ยบางคนเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำบางคนนั่งนั่งนอนนอนมีนะนั่งนั่งเล่นเล่นอะไรเงี้บรรลุก็มีเหมือนกันแต่ว่าท่านนั่งเจริญสติของท่านบอกเห็นอัตต า, าตัวตนกระโดดหนีลงจากกุฏิไปเฉยๆบางองค์ก็ทําลําบากอยู่ตามถาม้าตามเขา อดข้าวอดนอนเดินหามลุ่งหามค่ำหรือนั่งทั้งวันทั้งคืนคือแค่ไหนถึงจะพอหมาพอดีกับตัวเราใครสังเกตเอาอย่างช่วงไหนยังกิเลสรุนแรงมากเนียอย่างหนุ่มหนุ่มสมพง์หรือสมพงศ์ืุโยราคะแรงๆช่วงนี้เป็นนั่งดูง่ายๆชักไม่ไหวอะไรอย่างงี้ยอาจจะต้องเดินต้องอะไรที่หนักขึ้นไยดูจังหวะของเราเอง เพ็าะนั้ถ้ากิเลส ร, รุนแรงนะเราก็ต้องใช้วิธีที่รุนแรงหน่อยกิเลสเบาบางลงนะกิเลสนุ่มๆก็ใช้วิธีนุ่มๆหน่อยงั้นการปฏิบัติก็ไม่ใช่หักโหมตลอดเวลารู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาเอานะคุณมนเนะผ่อนแบบไหนเยอะอะผ่อนหนักหรือผ่อนเบาเยอะเนะื้อผ่อนเบาเยอะนะคือมันต้องมีจังหวะเหมือนกัน นี่บางคนทําลําบากก็รู้เร็วก็ได้นะบางคนลําบากก็รู้ช้าบางคนสบายรู้เร็วก็มีคนสบายรู้ช้าก็มีไม่ใช่ว่าลําบากเราต้องรู้เร็วนะลําบากไม่ลําบากอยู่ที่ว่าราคาโทสะโมหะมีกําลังกล้าไหมถ้ากิเลสมีกําลังกล้าก็ต้องปฏิบัติด้วยวิธีโหดๆหน่อยอย่างกายานุปัสสนาเนี่ย ถ้ากิเลสอ่อนๆไม่รุนแรงนะก็รู้อิริยาบทสี่เคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนคู่เหยียดอะไรนี่ยสัมปชัญญารู้ไปเรื่อยๆถ้ากิเลสแรงกล้าก็ใต้ใช้กายที่รุนแรงหน่อยยังดูปฏิกูลาสุภาอะไรพวกนี้นดูกายเป็นอาสุภาษดูอะไรพวกนี้ปฏิกูลสัญญาดูเป็นซากศพนานาชนิดไปพิจารณาศพไม่นั่งดูศพเหรือนี้หาดูไม่ได้เนะบ่อย <c oughs> หรือบางคนกิเลสรุนแรงดูเวทนาเวทนาก็มีทั้งแบบอ่อนแบบเบาแบบหนักเนี่ยดูเวทนาเบาๆก็ดูเวทนาทางใจกิเลสมารุนแรงก็ดูเวทนาทางกายเหมือนของหนักๆด้วยกันดูจิตก็เหมือนกันถ้ากิเลสเราเยอะเราก็ดูจิตมีราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านปวดหัว จิตเรากิเลสน้อยเราก็ดูจิต ท, ที่สงบจิต ท, ที่ไม่สงบเลยนะงั้นกรรมฐานก็เลยมีหลายแบบทั้งแบบปฏิบัติลําบากกับแบบปฏิบัติสบายนี่คนกิเลสเยอะๆอาจจะบรรลุเร็วก็ได้เพราะบรรลุเร็วบรรลุช้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนกิเลสนะบนรรลุเร็วบรรลุช้าขึ้นอยู่กับยินสีแก่หรือยินสีอ่อนสติมีบ่อยไหมนะสัมมาสมาธิเกิดขึ้นไหม สามารถรู้ความเกิดดับของกายใจรูปนามได้ไหมถ้าทำได้นะก็เรียกว่าอินทรีแก่กล้าต้องบรรลุเร็วเมรนั้นบางคนกิเลสหนาด้วยอินทรีแก่กล้าด้วยนะก็ทำทุกขาปัติปทาจริงะแต่บรรลุเร็วเชาในคำพีพูดถึงพระโมคคลาปฏิบัติลำบากท่านง่วงนอนมากกิเลสครอบงำนิวรณครอบงำมากปฏิบัติลาบาก แก็เดินจงกรมปฏิบัติหามรุ่งหามค่ําไปแล้วก็ท่านบนรรลุเร็วเจ็ดวันท่านก็บรรลุแล้วเพราะว่าอินทรีย์ท่านก็กล้าด้ว ย, ยงั้นมันไม่ล้างกันนะระหว่างกุศลกับอกุศลไม่ใช่กิเลสเยอะแล้วต้องอินทรีย์อ่อนเสมอไปไม่แน่บางคนมันทําทั้งสองอย่างเลยกิเลสก็ทํำนะปฏิบัติก็ขยันทํานี่ยเข้าสาริบุตรเนี่ย กิเลสท่านเบาบางท่านปฏิบัติง่ายนั่งฟังพระพุทธเจ้าเทศให้คนอื่นฟังตามรู้ตามดูไปแล้วก็บรรลุเร็วด้วยคนะอินทรีย์ท่านแก่กล้าด้วยนี่พวกเราก็ดูจังหวะของตัวเองนะดูเอาทำยังไงสติปัญญาเกิดบ่อยเอาอนะันนั้นสังเกตใจเนาะปลางใจไปไหนแอบจมก็รู้ว่าจมนะเชอรี่เชอรี่ใช่ไหม <c oughs> ปนกันหลายคนมีเด็กรุ่นๆไล่ๆกันนะชื่อเป็นต่างประเทศเนี่ยเชอรี่ปูเป้อะไรกูที่เรียกบนๆกันรู้สึกไหมเมื่อกี้ใจนิ่งๆซึมๆแต่นนี้ใจเคลื่อนไหวนะฟังธรรมะล้วนๆแล้วใจมันเคร่งขืมนะพูดสุภาพนะนยิงซึมเราคุยเรื่องอื่นแล้วแมมมันสนุกนะใจมันเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวก็รู้ไป หักรู้ทันสภาวะไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมาเองมีสติรู้ทันจิตใจตัวเองไปครูบาอาจารย์สอนอย่างนี้เยอะนะคุณม์เคยเจอหลวงปู่ทาไหมหลวงปู่ทาก็น่ากราบน่าไหว้นะอยู่ทํทรับมืดหรือปักช่องทําซับมืดเนี่ยมีททางเข้าไปหลังอำเภอปักช่องเข้าไปลึกนะสิบกว่าโล เราขับรถไปเราขับช้าๆดูไ ป, ไป้ายไปหลวงปู่าสอนง่ายๆใครไปหาสอนง่ายนิดเดียวมีสติรักษาจิตไหมคือหมายถึงท่านบอกให้ดูจิตใจตัวเองด้วยมีสติคอยรู้ทันใจตัวเองเรื่อยมีสติรักษาจิตไว้เดี๋ยวก็แจ้งเองสอนแค่นี้นะครูบาอาจารย์รุ่นเก่าจะสอนประโยคฝอนสองประโยคสอนน้อยๆได้ผลเยอะครูบาอาจารย์รุ่นหลังพูดเยอะสมาพูดเยอะ ได้ผลน้อยเพราะว่าพวกเราหัวใจฟังนะได้ข่าวว่าบางคนฟังอาตมาจบแล้วไปฟังคุณอรมราต่อยควรคุณอรมราทั้งวันอีกเนะพวกนี้ฟังเยอะเลยไม่มีเวลาปฏิบัตินะไม่บรรลุเพราะฟังนะมรรู้เพราะเจริญสติอ่ฟังนี่ฟังเอาหลักปฏิบัติฟังให้รู้วิธีปฏิบัตินะมีญาติคนหนึ่งนะพี่สาว ยมนุชอนะ่ะคอยอยากฟังบ่อยๆกะว่าถ้าได้ฟังแล้วเกิดได้ฟังประโยคเด็ดเขเรียกวักทองมีวักทองนะฟังแล้วปิ๊งเลยไม่ต้องปฏิบัติโอ้โหมันชี้เกียรเกินไปหน่อยนะ <c oughs> มันหวังหวังหวังมากไปนะลงทุนน้อยหวังเยอะไม่ได้กินหรอกเพราะงั้นหัดทำนะหัดรู้กายหัดรู้ใจอย่าคลุกคลีอย่ากลุยมาก นะอย่างพวกเล่นเน็ตนะโฆษนาทำทางอินเทอร์เน็ตทั้งวันนะไม่ได้กินหรอนะะฟังธรรมะเด็ดๆนะจะบรรลุธรรมะที่ฟังเอาไม่ใช่ธรรมะของจริงนะเคยเปรียบเทียบหยาบๆให้คุณหันสาฟังนะบอกฟังธรรมาไม่รู้เรื่องไปฟังหมาเห่าหนะ่ฟังแล้วมันลำคาญให้รู้ว่าลำคาญนะใจหนีไปคิดทราบไหมมันเผลอไปคิดแนละ้ว ใจมันหนีแวบไปปุ่นคืไปสังเกตมันไม่เอาคอยรู้สึกตัวเรื่อยๆนะรู้กายรู้ใจไปเป็นไงทำไมกลัวเรื่อยๆออะไรนะอ๋อไล่ไล่ต้องไล่แบบกระโดดไงนกเป็นไงนก มันเหนื่อยมากเป็นทางกายใครมาใหม่ๆบ้างใครไม่เคยมาบ้างข้างหลังมามาจากไหนกันเคยฝึกที่ไหนมาเคยปฏิบัติมาไหมอะไรนะปฏิบัติมาจากไหนกันบ้างละ่ะเคยไหมทำอไอ๋ อ, อไม่เคยไปฝึกบ้างเลยเหรอ ไม่ฝึกก็ไม่เป็นไรนะไม่เคยฝึกอดียิ่งชอบเคยฝึกแล้วต้องมานั่งแก่คือการปฏิบัตินี่มันไม่ยากหรอกการปฏิบัติทำนะเรามุ่งเรียนรู้ตัวเองพยายามเรียนรู้ตัวเองเรียนรู้จนเรารู้ความจริงว่าความทุกข์มันเกิดได้ยังไงใช้วิธีคอยสังเกตเอาไม่ใช้วิธีคิดเอานะไม่วิธีบังคับเอาแตใช้วิธีคอยสังเกตเอา สัง เ, เกตใจของเราไว้ให้ดีความทุกข์มันมาได้ยังไงถ้าหัดดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นเองไม่ต้องให้เฉลยก็ได้เรียนแค่นี้นะรู้ได้ด้วยตัวเองก็ได้พวกเราชับใจลอยใจลอยมาตั้งแต่เกิดเมร่อเราใจลอยเราจะเที่ยวรู้สิ่งอื่นเราไม่รู้กายไม่รู้ใจตัวเองถามว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยเรารู้ทันความรู้สึกในใจเราสักกี่ครั้งแทบไม่มีเลย เราชอบไปรู้ข้างนอกชอบดูคนอื่นไม่ได้ดูตัวเองอยากปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการย้อนกลับมาเรียนเรื่องตัวเราเองนะมาสังเกตที่จิตใจของเราเนี่ยดูง่ายหน่อยดูกายส่วนมากชอบไปเพ่งกายดูกายต้องไปทําสมาธิซะก่อนหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจมันลอยไปใจเป็นแอบไปคิดให้เราคอยรู้ทันมนะันจิตใจของเราชอบหนีไปเที่ยวทั้งวัน นีไปทางไหนบ้างนี้ไปทางตาเช่นไปดูเห็นคนเดินมาเราดูคนอื่นใครเดินมาเรารู้หมดเลยแต่ขนาดที่เรารู้คนอื่นนะดูคนอื่นเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจตัวเองนี่นี้เรียกว่าหลงไปหรือคนอื่นเขาคุยกันเราตั้งใจฟังเขาคุยรู้เรื่องหมดเลยใครพูดอะไรรู้เรื่องหมดเลยแต่ขนาดนั้นเราลืมตัวเราเองลืมกายลืมใจของเราเองรู้แต่คนอื่นรู้แต่คาพูดคนอื่น หรือทานข้าวอร่อยอร่อยนรถมาถูกลิ้นเราเพลิดเพลินในการรับประทานเราลืมตัวเองอีกล่ะบางคนอยากไดเอทได้เจอของอร่อยนะทานไปสามจานเพิ่งนึกได้ว่าใจไดเอทอย่างนี้ยมันเพลินไปกับรถแล้วลืมตัวเองได้กลิ่นเดินเดินอยู่ตามวัดป่าได้กลิ่นเหม็นเหม็นเน่าเน่าใจมันกลัวไม่รู้ว่าใจมันกลัวค่อยแต่เลือกเลกๆว่าผีมันจะอยู่ตรงไหน มันจะสนใจของข้างนอกละเลยที่จะรู้ใจตัวเองหรืออยู่คนเดียวนั่งอยู่เฉยๆนั่งคิดบางคนหลงรุนแรงคิดอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยเม่อเมอไปใจลอยไปคิดอะไรก็ไม่รู้อีกพวกหนึ่งคิดนะรู้เรื่องที่คิดแต่ขนาดที่รู้เรื่องที่คิดเราก็ลืมตัวเองลืมกายลืมใจตัวเองสังเกตไหมฟังอาตมาพูดเนี่ยฟังไปคิดไปดูออกไหมคุณผู้ชายเสื้อสีฟ้า ตอนที่ฟังไปคิดไปฟังไปคิดไปเนี่ยสังเกตไ้มนะเราลืมตัวเองเราลืมความรู้สึกตัวเนี่ยลืมกายลืมใจของเราเองเมื่อไหรลืมกายลืมใจตัวเองเมื่อนั้นไม่ได้ปฏิบัติเรียเผลอไปหลงไปเพงั้นอยากหัดปฏิบัติเนี่ยค่อยๆเรียนรู้ทําความรู้จักว่าจิตที่หลงไปเผลอไปเป็นยังไงเผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปคิดเผลอทั้งวัน ให้เราค่อยรู้ไปเรื่อยๆรู้ทันใจตัวเองไว้นะคุณเสื้อสีชมพูเนี่ยใจลอยไปแล้วรู้ไหมใจมันหนีไปหนีไปเราก็ค่อยรู้นะใจมันเป็นยังไงเราค่อยรู้อย่างฟังหลวงพ่อพูดไม่รู้เรื่องเลยใจมันสงสัยใจมันสงสัยรู้ว่าสงสัยหัดรู้ใจตัวเองเรื่อยๆการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรยากนะหันกลับมาเรียนรู้ทันตัวเองรู้ทันจิตใจตัวเองไว้ เห็นไหมลืมตัวเองแล้วลืมกายลืมใจตัวเองเอาแต่คิดดูออกไหมรู้เรื่องที่คิดแต่ลืมกายลืมใจตัวเองนี่คือหลงละสุดโตงไปข้างหลงสุดโตงอีกข้างหนึ่งข้างเพ่งไว้ข้างบังคับพอคิดถึงการปฏิบัติก็เริ่มบังคับกายบังคับใจบังคับกายให้นิ่งนิ่งบังคับใจให้นิ่งนิ่งอยบังคับคอยควบคุมจิตใจจะงอื่นอัดขึ้นมานี่ก็สุดโตไปอีกข้าง ทางสายกลางก็คือไม่สุดโต่งไปสองฝั่งนี้รู้สึกไปตามรู้ใจไปลืมแล้วเห็นไ้มหีไปคิดนี่นเดีย